จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นมงการที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันเป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฝังธรรมเป็นวันที่พุทธบริษัท ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมเสริมมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการกระทำตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสองตรัสไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง การบูชาก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันก็คืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาบุคคลที่เราควรที่จะบูชาที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพาาระอรหันตาสาวกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้มีดวงตา เห็นธรรมผู้ที่สามารถที่จะสอนให้พวกเราได้หลุดพ้นจากวัตตัแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การบูชาพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ก็จะถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเพราะเมื่อได้บูชาได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า หรือพระอาหารหันต์เราก็จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนที่เป็นเหมือนแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตของเราให้ได้ก้าวสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่าตายเกิดการบูชาที่แท้จริงทงตัดไว้ว่าต้องเป็นปฏิบัติบูบชา การบูชาด้วยอมิสบูชาเป็นการบูชาแบบเปลือกไม่ใช่เนื้อการบูชาแบบเนื้อนี่ต้องเป็นปฏิบัติบูบชาอมิสบูชาก็คือการถวายสิ่งสกักดิ์สเช่นดอกไม้ทูบเทียนเวลาญาติโยมมาวัดญาติโยมก็จะทําอมิสบูชาก่อน นำดอกไม้ทูกเทียงมาถวายดอพระพุทธรูปแล้วก็ทำการกราบอย่างนี้เรียกว่าอามิสบูชาจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์มากนะักนอกจากเจตนาความเชื่อความเมื่อใสความเคารพในพระพุทธในพระพุทธเจ้าและใน พระอาลันตรสาวกเท่านั้นถ้าอยากจะบูชาเพื่อให้ได้เนื้อได้หน้ำได้ประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนเพื่อเป็นความสิริมงคลก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้ามีการปฏิบัติแล้วก็จะมีผลปรากฏขึ้นมาผลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจที่จะก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาไปพรหมไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุด คือขั้นพระอาหัรตสาวกเป็นขั้นที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิดอีกต่อไปผลเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต้องมีปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาเพียงอย่างเดียวนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาลัรตสาวกทั้งหลาย ได้รับปรากฏขึ้นมาต้องเกิดจากการปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติก็ต้องอาศาัยการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระสัจเจ้าออก่อนเพราะการได้ยินได้ฟังนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่หรือมีผู้นำทางพาเราไปสู่จุดหมาย ปลายทางที่เราต้องการจะไปถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่มีผู้นำทางเราก็จะหลงทางจะหาจุดหมายปลายทางไม่เจอเพราะเราไม่รู้ทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเราจุดหมายปลายทางของพวกเราคืออะไรก็คือความสุขที่ถาวรความดับทุกข์ที่ถาวร ที่พวกเราทุกคนปรารถนาคันมีใครบ้างไม่อยากจะมีความสุขไปตลอดมีใครบ้างไม่อยากจะให้มีความทุกข์อยู่ภายในใจทุกคนปรารถนาความสุขและปรารถนาความไม่มีความทุกข์ทั้งนั้นแต่ความสุขและความดับทุกขน์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนา แต่เกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนี้เองนี่การกระทำทางกายทางวาจานี้ก็มีหลายทางด้วยกันทาไปแล้วแทนที่จะเกิดความสุขกับเกิดความทุกข์ก็มีทาไปแล้วแทนที่จะดับทุกข์กับสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมา ถ้ามีมากขึ้นไปอีกก็มีทางที่ทำไปแล้วทำให้เกิดความสุขขึ้นมาดับความทุกข์ก็มีเราต้องศึกษาเพื่อเราจะได้รู้ทางที่จะนำไปสู่ความสุขและการดับทุกข์ถ้าเราไม่มีผู้ที่มีประสบะการณ์เช่นพระพุทธเจ้าผู้ทรงได้ศึกษา และได้ปฏิบัติทางที่จะนำไปสู่ความสุขและการดับทุกข์และสปฏิบัติและได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้าเรามีคนอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตาสาวกมาเป็นผู้สอนผู้บอกเราก็จะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากัน นี่คือขั้นต้นต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการฟังเทศฟังธรรมก็เลยเป็นมงคลอย่างหนึ่งกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกลมุตตังมันพระนี้เรามาวัดกันเราก็ได้ทำเหตุที่เป็นมงคลหลายประการด้วยกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสง์ ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้ได้รู้จักทางที่จะนำไปสู่ความสุขและความดับทุกข์การฟังเทศฟังธรรมถ้าจะฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์จำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนิ่งคือกายจะไม่ทำอะไรจะนั่งเฉยๆวาจาจะไม่พูดคุยกัน อย่างนี้เรียกว่าศีลสงบกายสงบวาจาเรียกว่าศีลตอนที่ญาติโยมสมาทานศีลตอนนั้นก็เป็นการแสดงเจตนารนว่าจะตั้งกายและวาจาให้อยู่ในความสงบแต่การสมาทานศีลเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่ทำให้เกิดศีลขึ้นมาถ้าสมาทานเสร็จแล้ว ก็ไม่ควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาให้ตั้งอยู่ในความสงบศีลก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้ศีลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาให้สงบหรือทำในสิน่งที่ไม่เกิดโทษกับผู้อื่นและเกิดโทษกับตัวเราเองดังนั้น เวลาเราฟังเทศฟังธรรมถ้าอยากจะฟังให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เราต้องนั่งเฉยเฉยอย่าไปทำอะไรบางท่านคิดว่าฟังธรรมไปแล้วก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปจะได้ประโยชน์ความจริงถ้าได้ก็ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะว่าใจจะต้องแบ่งไปให้กับการกระทำและแบ่งมาให้กับการฟัง การฟังเลยอาจจะไม่ติดต่อไม่ต่อเนื่องก็จะไม่เข้าใจเพราะการฟังธทมนี้จะเกี่ยวกับเหตุกับผลถ้าเราฟังเหตุและเราไม่ได้ฟังผลเราก็จะไม่รู้ว่าเหตุนี้จะนาไปสู่ผลอย่างไรถ้าเราได้ยินผลแต่เราไม่ได้ยินเหตุเราก็จะไม่รู้ว่าผลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะ ใจของเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบคือไม่มีสมาธินั่นเองใจเราวอกไปวอกมาวอกแวกเดี๋ยวก็อยู่กับการทำอะไรต่างๆเดี๋ยวก็อยู่กับการฟังการฟังเลยไม่ต่อเนื่องเมื่อไม่ต่อเนื่องเหตุผลที่แสดงไว้อย่างต่อเนื่องก็จะขาดตอนไปเมื่อขาดตอนแล้วก็จะไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็แสดงว่าเสียเวลาฟังแล้วไม่ได้เกิดผลไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะอั น, นิี่สมของการฟังธรรมที่สำคัญก็คือความเข้าใจนี่เองความเข้าใจที่เราเรียกว่าปัญญาถ้าเราฟังแล้วเข้าใจเราก็จะเกิดปัญญาเกิดสมาทิถิกขึ้นมาเช่นตอนนี้เราก็จะเข้าใจแล้ว ว่าการฟังธรรมเพื่อให้ได้ผลได้ประโยชน์ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจาเป็นเสียงใจสงบนิ่งเป็นสมาธิถ้าใจสงบนิ่งใจก็จะรองรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะเกิดความเข้าใจในเหตุในผลก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาจะกระทำเหตุที่ทำให้เกิดผลดีจะละการกระทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลไม่ดีปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำนี้สามารถทำให้เกิดผลดีก็ได้ทำให้เกิดผลเสียก็ได้ถ้าเราพูดดี ดีก็จะกลับมาหาเราถ้าเราพูดไม่ดีผลไม่ดีก็จะกลับมาหาเราถ้าเราทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะกลับมาหาเราถ้าเราทำดีผลดีก็จะกลับมาหาเรา <c oughs> ก็คือทำแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์นั่นเองความสุขความทุกข์ที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นแต่เกิดจากตัวเราเอง กิจากการกระทำทางกายทางวาจาใจของเราและการกระทำของเราจะทำไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกหรือเห็นมีความเห็นที่ผิดถ้ามีความเห็นที่ผิดก็จะทำไปผิดเช่นเห็นว่าการดื่มสุราอยาเมา การประพฤติผิดประเวณีนำมาซึ่งความสุขความเจริญพอทำไปแล้วแทนที่จะได้ความสุขความเจริญก็กลับได้ความเสื่อมได้ความทุกข์ได้ความวุ่นวายใจกลับมาเพราะมีความเห็นผิดเห็นกับตาลรปัดเห็นว่าการกระทำผิดนี้จะให้ความสุขให้ความเจริญพอทำไปแล้ว ความสุขความเจริญก็ไม่เกิดกลับมีแต่ความทุกข์มีความเสื่อมเสียปากฏขึ้นมาแทนเพราะมีมิจฉาทิฏฐิถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะคิดผิดพูดผิดทำผิดก็คือจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเพาคิดว่าการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีจะนำมาให้ความสุขนั่นเองเช่นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ คิดว่าการเสพอบายามุขการทำบาป ก, การไม่รักษาศีลนี้เป็นวิธีที่จะสร้างความสุขความเจริญซึ่งอาจ จ, าาอาจจะเป็นความเจริญที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์กับจิตใจก็คือเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญคนที่ทำบาปคนที่ไม่รักษาศีลนี้สามารถที่จะร่ำรวยได้ สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่อันนี้ไม่ได้เป็นความสุขความเจริญของจิตใจที่เราควรที่จะให้ความสำคัญเพราะความสุขทางลาบยศสรรเสริญความเจริญทางลาบยศสรรเสริญนี้เป็นความเจริญเป็นความสุขชั่วคราวมีวันหมดไป เวลาหมดไปก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจตามมาแต่ความสุขความเจริญของใจนี้จะไม่มีวันหมดไปจากใจน่าจะให้ความสุขกับใจไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะตายไปแล้วก็ตามความสุขใจความเจริญของจิตใจก็ยังอยู่กับจิตใจต่อไปเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ดังนั้นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะไปมองผลที่ลาบยศสรรเสริญแทนที่จะไปมองผลที่จิตใจว่าจะจิตใจตอนนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือเป็นเปลเป็นมนุษย์หรือเป็นพรหมอันนี้หมาะไม่เห็นหมาะไม่เป็นเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้ยินได้ฟัง พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไปเอาผลที่ที่ไม่ใช่เป็นผลที่แท้จริงมาเป็นผลไปเห็นว่าถ้าได้ลาบได้ยศได้สำรัเสริมมามากๆ จ, จะเจริญจะก้าวหน้าจะมีความสุขแต่พอไปแสวงหาแล้วแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกม กับลาบยศสารเสริญเพราะว่าลาบยศสารเสิญนี้อยู่ในมีธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองวันดีคืนดีก็อาจจะหมดไปจากไปได้เสมอเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่จะมาทำให้การพัดภาจากลาบยศสารเสริญเกิดขึ้นมา ก็จะสร้างความหวั่นไหวสร้างความทุกขุนวายใจให้เกิดขึ้นนี่คือปิจฉาทิฏฐิที่คิดว่าการมีลาบยศสรรเสริญจะให้ความสุขและการกระทำการหาด้วยการกระทำบาปเช่นไม่รักษาศีลทำด้วยความช่อโกงทำด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำด้วยการลักทรัพย์ ทำด้วยการโกหกหลอกลวงถ้าทำอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเจริญในลาบยศสารเสริญแต่จิตใจจะตกต่ำจิตใจจะเลื่อนลงจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรกไปเป็นสัตว์นรกเพราะนี่คือผลที่ใจจะต้องได้รับหลังจากที่ตายไปแล้ว นามยศ ส, สรเสนที่หามาได้ด้วยการกระทาบาป ก, ก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปแต่ใจผู้ที่จะต้องรับผลของบาปที่กระทาไว้ก็จะต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างต้องไปตกนรกบ้างนี่คือผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิจะไม่เห็นผลที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของตน จะไปเห็นผลภายนอกเป็นเห็นไปเห็นลาบยศรสรรเสริญคิดว่านั่นคือผลของความของความเจริญของความสุขคิดว่าถ้ามีมากๆแล้วจะมีความสุขมากจะเป็นผู้ที่มีความเจริญมากแต่จิตใจนั่นแหละเป็นผู้ที่เจริญหรือไม่เจริญจิตใจนี่แหละเป็นผู้ทุกข์หรือไม่ทุกข์สุขหรือไม่สุข ถ้าทำผิดศีลแล้วรับรองได้ว่าจะต้องทุกอย่างแน่นอนหรือถ้าไปเสพอบายามุขต่างๆก็เช่นเดียวกันเสพอบายามุขแล้วจิตใจก็จะต้องวุ่นวายเพราะว่าการเสพอบายามุขนี้เป็นการสูญเสียทรัพยากรสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เป็นการสร้างรายได้สร้างทรัพยากรเพื่อที่จะนามา ใช้กับชีวิตของตนแต่กับจะดูรักพยากรต่างๆที่มีอยู่จนหมดไปเมื่อหมดแล้วเมื่อไม่สามารถหามาได้โดวยวิธีที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็จะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องมารับโทษต่อไปนี่คือผู้ที่มีมิจฉาทิฐิ จะคิดว่าการกระทําที่ผิดนี้เป็นการกระทําที่ถูกเป็นการกระทําที่จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญแต่ถ้ามาได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะได้รู้ว่าการกระทําแบบไหนเป็นการกระทําที่ถูกการกระทําแบบไหนเป็นการกระทําที่ผิดอย่างวันนี้ญาติโยมก็มาทําการกระทําที่ถูก เช่นการทำทานการแบ่งปันการให้ความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการกระทำที่ถูกเพราะทำแล้วจะได้รับความสุขกลับมาเวลาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นใจของเราก็จะมีความสุขถ้าเราไปให้ความทุกขก์แกบผู้อื่นใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจึงละเว้นการกระทาที่จะทาให้ผู้อื่น มีความทุกข์ก็คือการรักษาศีลห้านี้ถ้าเรารักษาศีลห้าได้การกระทําของเราก็จะไม่ทําให้เกิดผู้อื่นมีทุกข์มีความเดือดร้อนเมื่อเราไม่ได้ทําให้ผู้มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนี่เป็นสิ่งที่เราจะได้รับ ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้แยกแยะออกว่าการกระทำอะไรอย่างไรทำให้เกิดความสุขเกิดให้ควา ม, วามเจริญการกระทำอย่างไรทำแล้วทำให้เกิดโทษเกิดความทุกข์เกิดความสูญเสียขึ้นมาเมื่อเรารู้เราก็จะได้ทําแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษ สิ่งที่เป็นทุกข์เราก็จะไม่ทำเมื่อเราทำไปแล้วใจของเราก็จะพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาลันตัสาวกทั้งหลายได้ไปกันเหตุเป็นเหตุการกระทำของเราเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการขึ้นมา พระพุเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าการปฏิบัติบูบชานี่แลเป็นการปฏิบัติเป็นการบูชาที่แท้ จ, จริงเพราะจะเป็นการสร้างเหตุที่ดีเพื่อที่จะได้ให้เกิดผลที่ดีตามมาต่อไปผลนี้เป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุผลไม่ได้เกิดจากการขอเกิดจากการตั้งจิตอธิษฐาน ขอไปเท่าไหร่ตั้งจิตอธิษฐานไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันได้ผลที่ต้องการผลจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุเหตุก็คือการกระทาทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนนี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติได้ผลที่พึงจะได้ก็คือพระนิพพานก็จะเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นมาเมื่อได้พระนิพพานแล้วก็ถือว่าได้มงคลที่สูงสุดไม่มีอะไรจะมีมงคลเท่ากับการได้พระนิพพานเพราะพระนิพพาก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์ สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดและประมัณสุขขังคือบรมสุขความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปจะเป็นผลถ้าพวกเราหมั่นปฏบิบัติบูชากันอย่างที่ได้มากระทำกันในวันนี้ขอให้ทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้สมบูรณ์แล้วรับรองได้ว่าผลก็จะสมบูรณ์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 เออ